สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพผมนาทกรคุณชอบเล่าคลิปนี้จะเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับป่าอาถรรพ์และความเชื่อต่างๆตามคําแนะนําของท่านสมาชิกนะครับหากเนื้อหาจะมีไปซ้ํากับของใครบ้างก็ขออภัยนะครับถ้าจะพูดถึงคําว่าป่าตั้งแต่สมัยอดีตการมนุษย์ได้อาศัยพื้นป่าอันกว้างขวางเป็นที่อยู่อาศัยในยุคสมัยนั้นป่าแทบจะเป็นทุกอย่างของมนุษย์ทั้งที่เป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องป้องกันภัยในยามเจ็บป่วย มนุษย์นั้นก็สามารถหาหยุกหายามารักษาจากพืชสมุนไพรในป่าได้อาจจะถือได้ว่าความผูกพันของมนุษย์กับป่านั้นมีมาเนิ่นานานแสนานานแล้วจึงทําให้เกิดเรื่องราวที่เล่าขานเกี่ยวกับความลึกลับและอาถรรพ์ของป่าที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล่าที่หาความจริงไม่ได้แต่หลายคนนั้นก็ยังให้ความเคารพกับอาถรรพ์ของป่าปรีบเสมือนเครื่องเตือนใจให้มีความระมัดระวังทุกครั้งที่ย่างกรายเข้าไปในป่า ความอาถรรพ์และความลึกลับที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมายาวนานนั้นมีทั้งตั้งแต่คําบอกเล่าจากปากต่อปากการถ่ายทอดผ่านคาถาอาคมต่างๆจากเรื่องเล่าปรำําะราหรือแม้แต่จากวรรณกรรมบางเรื่องความอาถรรพ์และความลึ้ลับในป่านั้นแม้ว่าเราไม่สามารถจะพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้แต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะเป็นฏิเสธว่าสิ่งนี้ไม่มีอยู่จริงยิ่งผู้ใดที่มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับสิ่งนี้มาก่อนก็ย่อมมีความเห็นว่าไม่ใช่เรื่องที่ควรจะนํามาล้อเล่น ทุกครั้งที่ยืนอยู่ท่ามกลางต้นไม้นานาพันธุ์ในปา่าต้องรู้จักสำรวมและระวังภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นห้ามลบหลู่หรือว่าดูมินเด็ดขาดในป่านั้นนอกจากจะเป็นที่อยู่ของสัตว์ร้ายที่สามารถจะกลืนกินมนุษย์ได้ทุกเมื่อก็ยังแฝงไปด้วยเรื่องของความลี้ลับและปริศนาอย่างเช่นเรื่องราวของผีปา่าที่อาจจะเกิดขึ้นมาจากวิญญาณร้ายของคนที่เสียชีวิตอยู่ในปา่ามาเป็นเวลาช้านานหรืออาจจะจากอุบัติเหตุโรคร้ายสัตว์ป่ากัดกินหรือแม้กระทั่งอาถรรพ์ของป่าเล่นงาน ดวงวิญญาณเหล่านั้นจะหวยหวนและอดอยากต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในที่แห่งนั้นเมื่อมีผู้คนซึ่งนานๆครั้งจะผ่านเข้าไปก็มักจะพยายามเอาไปอยู่ด้วยดังได้มีบันทึกของผีป่าเหล่านี้ตั้งแต่อดีต ท, ที่มีทั้งนางตะเคียนนางตะนีโป่งข้างหรือผีขโมดเป็นต้นนอกจากนั้นความอาถรรพ์อาจจะเกิดขึ้นไปจากน้ำมือของมนุษย์ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องของสายเวทครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้กระทำขึ้น ดังเช่นเรื่องของสือสมิงหรือบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ของหุบเขาต่างๆวิญญาณเหล่านี้ล้วนมีอำนาจเหนือล้ำกว่าผีป่าธรรมดาสามารถเข้าถึงสายเวทล่าคมต่างๆซึ่งวิญญาณเหล่านี้มักจะให้ได้ทั้งคุณและโทษแก่มนุษย์ผู้ล่วงล้ำเข้าไปในเขตแดนของตนนอกจากนี้ก็ยังมีอาถรรพ์ที่เกิดจากวัตถุจากธรรมชาติอย่างแร่เหล็กไหลเครือเขาหลงคดและชิ้นส่วนของร่างกายสัตว์ป่าต่างๆสิ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วนเพิ่มความอาถรรพ์ให้กับพื้นป่า และทั้งยังเป็นที่ต้องการของมนุษย์ผู้มีความศรัทธาในอำนาจอันลี้ลับของปัตถุเหล่านั้นต่างก็สอดสวงหาไขว้คว้ากันมาตั้งแต่โบราณกาลจนถึงยุคปัจจุบันและเมื่อป่ามีทั้งความลี้ลับและอาถรรพ์เช่นนั้นแล้วโดยมากก่อนที่พรานผู้ช่ำชองจะเข้าป่านั้นจะบูชาเจ้าป่ า, เ จ, า, ปาเจ้าเขาหรือที่รู้จักกันในหมู่พรานว่าการขอเปิดป่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้กันดีในหมู่ของพรานผู้มีประสบการณ์ด้วยถือว่าจะอยู่ในป่าให้ปลอดภัยได้ จำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองจากเจ้าป่าเจ้าเขาซึ่งจะสิงสถิตยอยู่ดูแลป่าแต่ละแห่งไม่ให้มีผู้ใดเข้ามาบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตจึงมีความจําเป็นที่พรานผู้มีประสบการณ์จะต้องทําพิธีเปิดป่าซึ่งวิธีเปิดป่าตั้งแต่ครั้งโบราณมีขั้นตอนดังนี้เริ่มโดยการจุดธูปเก้าดอกและที่ทานขอให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาผีเย่าผีเรือนเจ้าของที่ เจ้าของทางว่าลูกนั้นขอเปิดปาถ้าหากว่าลูกนั้นกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งผิดก็ตามแต่ขอกราบขอขอมาไว้ณที่นี้ด้วยจากนั้นก็กลั้นลมหายใจพลิกหน้าดินบริเวณ น, นั้นขึ้นมา3าครั้งพร้อมทั้งพลิกใบไม้แห้งและสดที่อยู่แถวบริเวณ น, นั้นให้หงายขึ้นทั้งหมดเป็นอันเสร็จพิธีแต่ในบางกรณีหากไม่มีทูบติดตัวมาก็ให้ใช้ใบไม้แห้งในบริเวณ น, นั้นแทนโดยตั้งจิตอธิษฐานเหมือนเดิม พร้อมทั้งปักเอาไว้และให้เอามีดทิ่มดิน3าครั้งสุดท้ายก็พลิกใบไม้แห้งและสดในบริเวณ น, นั้นให้หงายขึ้นเช่นกันนอกจากพิธีเปิดป่าแล้วพฤติกรรมในการดำรงชีวิตอยู่ในป่าก็มีความสําคัญอย่าพูดหยาบหรือพูดจาเชิงท้าทายหรือดูหมิ่นเหยียดหยามเป็นอันขาดนอกจากนั้นก่อนจะพักกินอาหารก็ต้องถาวายอาหารบางส่วนแก่เจ้าป่าและเจ้าเขาตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผีสางนางไม้สะกอนเพื่อเป็นการคารวะและเป็นการให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของที่แห่งนั้น ไม่เว้นแม้แต่เนื้อสัตว์ที่ล่ามาได้คุณจะต้องมีการตัดออกบางส่วนเพื่อเป็นการถวายให้แก่เจ้าป่าเจ้าเขาเพราะในสมัยอดีตนั้นการล่าสัตว์เพื่อดำรงชีวิตพรานป่าจะนําเนื้อสัตว์กลับบ้านไปเฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นสําหรับการปลดทุกข์ในป่าก็จําเป็นต้องขอขอมาเจ้าป่าเจ้าเขาเมื่อเสร็จกิจแล้วก็ต้องกลบฝังให้ดีหลังจากภารกิจในป่าได้เสร็จสิ้นลงการออกจากป่านั้นในพรานจะเป็นต้องทําพิธีปิดป่าเพื่อแสดงความเคารพขอบคุณและบอกกล่าวว่าได้ออกจากป่าผืนนั้นแล้ว นอกจากนั้นยังเป็นการขอขมาลาโทษในการกระทำที่ล่วงเกินไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่โดยพิธีกรรมดังกล่าวนั้นทําได้ง่ายดังนี้โดยหากว่ากลับออกมาทางเดิมให้พลิกดินที่หงายเอาไว้กลับไปอยู่ที่เดิมส่วนใบไม้ที่หงายขึ้นก็ให้คว่ำลงจากนั้นก็ยกมือขึ้นไหวบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นอันเสร็จแต่หากว่ากลับออกมาอีกทางก็ให้ยกมือไหว้และกล่าวขอขมาก็พอถือว่าเป็นพิธีโบราณที่บรรดาพรานหรือชาวเขาต่างก็ยินใช้กันจน ถ, ถึงทุกวันนี้ เรื่องของคาถาอาคมนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญที่ผู้มีความจําเป็นจะต้องเข้าปากเป็นประจำจะต้องมีติดตัวกันไว้ซึ่งก็มีพระคาถาอยู่มากมายดังแต่ขอยกตัวอย่างไว้ดังนี้คาถาคุ้มตัวเป็นคาถาที่ป้องกันไสยเวทผู้ผีปีศาจและสัต ร, รายไม่เข้ามาใกล้ตัวผู้ที่ต้องเดินทางกลางป่าลึกมักจะท่องทุกครั้งก่อนที่จะออกเดินทางโดยมีพระคาถาดังนี้พุทธังล้อมทำโมป้องสังโคกันเาเวสุวันโน พุทโธกันปีอัตโชสุวรรโนจะมหาราชาสุวรรณภูมิเมตาตถามันหิเกพุทธังกันอิติชาติกันสวะหะธรรมังกันอิติชาติกันสวะหะสังฆังกันอิติชาติกันสวะหะพระคถาคุ้มตัวนี้มักจะใช้ในระหว่างที่ออกเดินทางหากว่าจะต้องหลับนอนก็ต้องใช้อีกบทหนึ่งที่เรียกว่าพระคถาป้องกันศัตรูหมู่มานโดยต้องท่องดังนี้ตักโถทันตาสระอัตทะ ข้าพเจ้าจะขอชุมนุมอักษรและเลขยันทั้งหลายที่เหาะเหินเดินอากาศได้จงมาอยู่ในตัวข้าพเจ้าเอหิพุทธังจงมาเรโสเอหิธรรมังจงมาเรโสเอหิสังขังจงมาเรโสโสทายะนะอยู่บ่าซ้ายโมอยู่บาขวาพุทธอยู่หน้าทายอยู่หลังยะอยู่กระมม์อิติปิโสภะควาพระพุทธังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างบาทแคล้วคลาดด้วยพระพุทธทัง พระธรรมังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างบาดแคล้วคลาดด้วยพระธรรมังพระสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างบาดแคล้วคลาดด้วยพระสังขังเนหะกันหะฮันเนหกันสารพัดตรูวินาศสันติพุท ธ, ธคุณโนโมชะคุณังสาปาการังมาบาังกายาพระวิสูตรพัดเข้าไปพระวินัยพัดเข้ามาพระวิสัยทั้งห้ามากล่อมหัวใจข้าพเจ้านอนศัตรูจะมาทำร้ายจงปุกตัวข้าพเจ้าก่อน สัมมาที่ไหนสัมไปที่นั่นณนะไม่รู้โมไม่เห็นผู้ใดทําเข็นวินาศสันติอิติปิโสภคะวาสีเขี้ยวสองงาสีขายืนตึงพุทธะจังงังธรรมะจังงังสังฆะจังงังพุทธะบํมราปราบไปทางทิศหอรดีธรรมะบํมราปราบไปทางทิศอุดรสังฆะบํมราปราบไปทางทิศบูรพาสารพัดศัตรูวินาศสันติพระคถาทั้งสองบทนี้เป็นที่รู้กันดีในหมู่ของพรานพระธุดงหรือแม้แต่ชาวบ้านชาวเขา ผู้ที่ต้องออกหาเลี้ยงชีพกันมาอย่างยาวนานโดยมักจะใช้คู่กันนอกจากนั้นยังมีพระคาถาป้องกันภัยธรรมชาติอธิฟ้าพาดินถล่มเป็นต้นโดยต้องกล่าวว่าวาจาสิทธิพุทธายะธรรมายะสังคายะเมตายะพุทธเมตตาธรรมะเมตตาสังฆเมตตาณนะเมตตาโมกุรุณาพุทธปรานีทายินดียะอินดูอนุภาเวนะโตุ แล้วก็ยังมีพระคาถาแก้คุณสมนดำของผู้ที่มีวิชาทิ้งไว้ในป่าโดยเริ่มจากสวดนโมตสะสจบแล้วก็ต่อด้วยนโมพุทธายะนรานะรัตตังยานังนรานะรัตตังหิตังนรานะรัตตังเขมังวิปัสสิตังนามมิหังแต่เมื่อว่าหากโดนคุณสไปก่อนที่จะได้ทำการป้องกันก็มีพระคาถาแก้อาคมเข้าตัวเช่นกันโดยมีพระคาถาดังนี้พุทธังตัจักขามิ ธรรมังปัจจักขามิสังขังปัจจักขามิพุทธังเอหิมาเรเสธรรมังเอหิมาเรเสสังขังเอหิมาเรเสพุทธังลายะธรรมังลยะสังขังลยะจากนั้นให้เป่าลงไปในน้ำมนต์ที่เตรียมมาไว้สามครั้งแล้วนำน้ำมนต์ที่ได้ไปล้างหน้าจะทําให้อาถรมน้ำดำที่โดนเสื่อมสลายคลายออกไปจากร่างกายการเดินทางเข้าป่าที่เต็มไปด้วยความลี้ลับนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้เพราะหลายอย่างเราไม่อาจจะมองข้ามได้แม้เพียงเล็กน้อยเรื่องราวของความอาถรรพ์แปลกเกี่ยวกับการนั่งห้างในป่านั้นก็มีอยู่หลายเรื่องหลายแบบพอดีผมได้ไปเจอกับเรื่องสั้นมาเรื่องหนึง่งก็เลยอยากจะขอยกเป็นตัวอย่างให้ได้ฟังกันนะครับเรื่องมันก็มีอยู่ว่าเมื่อนานมาแล้วในหมู่บ้านชายป่าแห่งหนึง่งมีชายหนุ่มอยู่สองคนซึ่งเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้น สองคนนี้มักจะออกไปนั่งห้างส่องสัตว์ด้วยกันเป็นประจำเรียกได้ว่าเป็นคู่สีกันเลยการออกนั่งห้างส่องสัตว์ของ2คนนั้นก็ดำเนินเป็นปกติมาทุกครั้งจนกระทั่งคืนวันหนึ่งระหว่างที่ทั้งสองคนนั้นใช้ความอดทนในการนั่งห้างเฝ้ารอสัตว์กับบรรยากาศอันเงียบสงบของป่ารอแล้วรอเล่าจนกระทั่งดึกดื่นและแล้วก็ได้เห็นสัตว์ตัวหนึง่งเดินเข้ามาในวิถีของปืนด้วยความดีใจของทั้งสองคนหนึ่งในสองคนนั้นยกปืนแก๊ปขึ้นมาประทับบา่า วาดปลายกระบอกปืนไปทางเป้าหมายเมื่อล็อกเป้านิ่งได้ดังใจแล้วก็สอดนิ้วเข้าไปที่ไกปืนมั่นใจจึงได้เหนี่ยวไกทันทีปังแต่ปรากฏว่าจากการที่อัดดินปืนมาแน่นเกินไปทําให้ปืนกระบอกนั้นแตกระเบิดออกมาด้วยแรงอัดของปืนที่มากเกินไปคนยิงถึงกับล้มลงหงายหลังและเสียชีวิตทันทีคาที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนนั้นทําให้เพื่อนอีกคนหนึ่งทำอะไรไม่ถูกทั้งตกใจทั้งเสียใจสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นั่งนิ่งตะลึงอยู่สักครู่ใช้สติเท่าที่มีอยู่ให้เต็มที่จะลงห้างแบกศพเพื่อนกลับบ้านไปก็ไม่สิที่เพราะเวลานี้ก็ดึกมากแล้วทางเดียวที่เลือกได้ก็คือต้องนั่งอยู่กับศพเพื่อนคนนั้นจนเช้าและค่อยกลับบ้านนั่งไปไม่มีอะไรทำก็ได้แต่มองหน้าศพเพื่อนไปด้วยความสยองทั้งเสียวสันหลังและหวาดกลัวไหนใจะกลัวผีป่าก็ยังต้องมากลัวผีเพื่อนตัวเองอีกแต่ก็ต้องข่มใจให้นิ่งเขาไวเพราะไม่มีทางเลือกและไม่มีทางหนี นั่งเฝ้าศพอยู่ในระยะที่ห่างเท่าที่จะห่างได้บนห้างนั้นบาดแผลที่เกิดขึ้นกับเพื่อนนั้นบนใบหน้านับว่าเป็นบาดแผลที่ฉกันยิ่งเด็กไปเรื่อยๆบรรยากาศรอบข้างทั้งที่ทบนห้างก็ยิ่งหลอนทั้งความหนาวเย็นของป่าและความหนาวภายในใจิตใจที่ต้องนั่งอยู่กับศพเพื่อนก็ได้แต่ทําใจนั่งนิ่งและคิดถึงเรื่องอื่นแต่เมื่อทําใจให้เย็นลงได้ดีแล้วยังไม่ทันจะสว่างเพื่อนคนที่ตายก็กลับลุกขึ้นมาเหมือนคนที่เพิ่งตื่นนอน แล้วก็ทําท่าทางเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทํายังไงดีตกตะลึงใจตอนนั้นคิดแต่ยังไม่ทันที่จะคิดจบเพื่อนเจ้ากรรมที่เพิ่งลุกขึ้นมาจากความตายซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ใช่คนแล้วก็ชวนคุยเอาซะดือด้อด้วยความกลัวจึงได้จําใจคุยไปด้วยแม้ว่าสภาพของเพื่อนที่คุยด้วยนั้นจะไม่ได้อยู่ในสภาพของผู้ที่มีชีวิตแล้วก็ตามระหว่างคุยก็คิดแผนอยู่ในใจว่าจะ บ, าบ่ายเบียงหนีออกมายังไรเพื่อนเจ้ากรรมก็ดันพูดดักคอขึ้นมาว่าเดีย๋ยทิ้งกันนะเพื่อน นั่งคุยด้วยบรรยากาศที่หนาวแต่เงือแตกแล้วก็คิดแผนออกมาได้อย่างหนึ่งจึงบอกว่าตนเองนั้นปวดฉี่จากนั้นจึงถือกระบอกน้ำที่แอบเจาะรูไว้ลงมาจากห้างเมื่อลงมาข้างล่างก็ปล่อยน้ํานั้นให้ไหลให้เกิดเสียงฉี่แล้วก็ค่อยแอบย่องออกมาจากพื้นที่บริเวณนั้นห่างสักพักก็จ้ำอ้าวจากนั้นก็ค่อยคือวิ่งระหว่างที่วิ่งกลับนั้นก็ได้ยินเสียงเพื่อนตะโกนเรียกตามหลังมาไอ้เกลอมึงจะหนีกูไปไหนได้ยินเสียงอย่างนั้นก็ไม่มีอารมณ์ที่จะหันไปดูแล้วได้แต่วิ่งมุ่่งงหน้าาอยยเดีว แต่เสียงเรียกนั้นก็ตามติดเข้ามาใกล้ทุกทีว่าจะทิ้งกูไปไหนหยุดก่อนหยุดคุยกันก่อนวิ่งมาจนถึงเขตหมู่บ้านฟ้าก็สางขึ้นพอดีคนในหมู่บ้านนั้นบ้างก็ตื่นบ้างแล้วและบ้างก็ยังนอนอยู่ต่างก็ต้องตกใจเพราะเสียงร้องโวยวายเออะแบบสติหลุดของผู้ที่วิ่งหนีมาจึงได้พากระดกมาดูและเมื่อชาวบ้านได้ออกมาดูกันแล้วร่างที่วิ่งตามเพื่อนมานั้นก็ลม้มลงนอนนิ่งเป็นคนตายไร้วิญญาณไปอีกครั้งสรุปแล้วเพื่อนคนที่วิ่งหนีมานั้นรอด แต่นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าขานสืบต่อกันมาจะจริงเรื่องไม่จริงมีอาจจะทราบได้แต่ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวแต่นอกจากเรื่องนี้แล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอื่นอีกนั่นในสมัยที่ป่าแห่งสยามยังเขียวขจีด้วยป่าไม้ระหงงทั่วทุกภูมิภาคอุดมสมบูรณ์ไปเรืยแดนดงครอบคลุมไประกระทั่งถึงขุนเขาสูงใหญ่เสมอเมฆสมัยนั้นบรรดานักนิยมไพรย่อมหาเวลาชวนกันไปท่องเที่ยวป่าด้วยความรักได้ชื่นชมในธรรมชาติอันบริสุทธิ์ อุลบุตรผู้ได้อุปสมบทอยู่ในร่มโพของพระพุทธศาสนามีจำนวนไม่น้อยที่จิตใจเกิดรักป่าเขาความสงบวิเวกของธรรมชาติจ้องมีจิตรปรารถนาออกธุดงในป่าสูงห่างไกลบ้านผู้คนเพื่อธรรมะปฏิบัติให้ได้ผลหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองข้อสำคัญอุปปัชฌาจารย์สอนให้ฝึกสมาธิการฝึกให้เข้มแข็งต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีจึงจะเกิดพลังจิตที่เข้มแข็งทั้งจะต้องมีสติมั่นคงตลอดเวลา ไม่หวาดกลัวสัตว์ป่าไทยต่างๆในป่าดงดิบสามารถใช้อํานาจจิตแผ่เมตตาแก่สรรวสัตว์ทั้งหลายได้เมื่อต้องเผชิญภัยเฉพาะหน้าก็จะไม่กลัวและเตลิดหนีอันจะมีอันตรายถึงชีวิตท่านอุปป ช, ช้าเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเมื่อท่านได้ออกทุดงได้พบกับพวกพรานซึ่งได้เล่าเรื่องงูกินพระในสมัยเราไม่ต่ำกว่า70ปี80ปีมาแล้วครั้งนั้นพวกพรานแถบภูกระดึงได้ไปพบพระทุดงรูปหนึ่งก็มังถูกงูใหญ่พันรัดรอบตัว ปากของงูใหญ่นั้นอมร่างจากขาจนเกือบจะถึงเอวอยู่แล้วแต่พระธุดงรูปนั้นก็ไม่ได้ดิ้นรนเอาตัวรอดคงปล่อยให้งูใหญ่ตัวนั้นขมือบร่างของท่านไปทีละน้อยพวกพรานได้เห็นก็ตกตะลึงต่างตื่นเต้นคิดกันว่าจะช่วยพระให้พ้นจากปากงูให้ได้อย่างไรพรานคนหนึ่งได้สติก่อนคนอื่นร้องสั่งพักพวกให้เอาปลายมีดกรีดหนังงูให้ขาดเพื่อให้งูตัวนั้นปล่อยพระแต่เมื่อพระรูปนั้นเห็นพวกพรานเตรียมตัวจะฆ่างูก็ได้สั่งร้องห้ามไว้ แล้วก็บอกกับพวกครานว่าอัตมาขอบินทบาดงูตัวนี้ไว้เถิดอย่าได้ทําอันตรายเขาเลยอัตมาได้ตัดสินใจยอมพลีสังขารเป็นอาหารของเขาแล้วทั้งได้อหหสิกรรมว่าจะไม่มีเวนมีกรรมต่อกันเพื่อชดใช้นี่กรรมเก่าขอให้เวนนั้นสิ้นสุดลงทั้งหมดในชาตินี้พรานทั้งหลายนั้นได้ยินก็พากันเศร้าใจที่พระห้ามทําอันตรายงูแต่ก็รู้สึกแปลกใจอยู่ที่เหตุฉไหนภิกษุรูปนี้จึงมีความรู้สึกเป็นปกติมิได้แสดงอาการเจ็บปวดร่ำร้อง แม้ว่าจะถูกงูตัวนั้นรัดจนกระดูกแหลกเหลวไปทั่วตัวซึ่งผิดวิสัยที่มนุษย์คนใดจะสามารถทนได้ข้อนี้ท่านอุปัชชาอธิบายว่าพระธุดงรูปนั้นท่านได้แยกสังขารออกจากความรู้สึกจากจิตของท่านแล้วความเจ็บปวดอันพึงมีแบบคนธรรมดานั้นไม่ทําให้ท่านรู้สึกจึงได้ปล่อยให้งูรัดและกลืนเข้าไปทีละน้อยข่าวงูรัดพระธุดงค์และกลืนกินที่ผูกกระดึงในสมัยนั้นถือว่าเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วแดนอีสานในครั้งนั้นธุดงควัดของพระภิกษุไทย ครั้งแต่อดีตมีเรื่องเล่ามากมายไม่เพียงแต่ต้องผ่านการหลงปา่าบ้างก็หาทางออกสู่จุดหมายไม่ได้แล้วก็ต้องประจันหน้ากับสัตว์ใหญ่ทั้งช้างและอื่นๆพระอาจารย์ขาวอนาลโยมีประสบการณ์กับช้างป่าอย่างน่าอาัศจรรย์จนร่ำเรือกันต่อมาว่าท่านนั้นสามารถสื่อความหมายกับช้างเถื่อนได้อย่างละเอียดอ่อนพระอาจารย์เทศเทศรังสีก็เคยมีเหตุการณ์น่าประทับใจกับเสือลายพาดกรอน และก็มีอีกรูปหนึ่งประมาณปีพุทธศักราช2477พระอาจารย์ฟั่นออกธุดงควัตจากบ้านมะรุมอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมามุ่งไปสูป่ดงพญาเยน็นมีภิกษุสมรูปสามเณรหนึ่งรูปร่วมทางไปด้วยโยมผู้หนึ่งคือคุณหลวงบำรุงมีศรัทธาถวายค่าโดยสารรถไฟส่งคณะของท่านเดินทางไปถึงชายป่าดงดิบอันเป็นดินแดนติดต่อกันระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานครั้นลงจากรถไฟแล้ว พระอาจารย์ฟั่นก็พาคณะเดินทางเข้าสู่ดงพญาเย็นก็ให้เตรียมหม้อใหม่สำหรับไว้ใส่กระดูบไปด้วยระหว่างที่เดินทางกันกลางป่าพระละเนนรู้สึกกระหายน้ำพระอาจารย์จึงได้สั่งให้หยุดพักฉันน้ำกันก่อนตัวท่านเองได้ล่วงหน้าไปอีกพักใหญ่ทันทีนั้นก็เกิดมีความรู้สึกเหมือนว่าจะมีเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นระหว่างเดินไปให้รู้ตัวว่าใจาเต้นแรงเหมือนตีกรงท่านเหลยวมองไปโดยรอบก็ไม่เห็นมีสิ่งใดผิดปกติจึงเดินต่อไปเรื่อยๆ ชาพรานนั้นสายตาก็เหลือไปเห็นเสือนอนหมอบอยู่ข้างหน้าหันหลังให้ท่านท่านจะหลีกหนีไปทางไหนก็ไม่ได้ด้วยจวนตัวตอนนี้หัวใจนั้นเต้นแรงถี่ยิ่งขึ้นพระอาจารย์ฟัน่นสำรวมสติตัดสินใจอย่างไม่ได้คาดคิดมาก่อนท่านเดินตรงไปจนใกล้กับเสือแล้วก็ถามขึ้นว่าเสือหรือนี่หลายพลาดกรนตัวมหึมาหันหน้ามาหาท่านพลางผงกหัวรับคำและเผ่นแผลวหายไปในป่ารกนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่น่าอาจจัศจรรย์ อีกครั้งหนึง่งพระอาจารย์ฟัน่นออกทืดวงกับสามเณรรูปหนึ่งหมายว่าจะไปถึงภูควายในประเทศลาวแต่ครั้นข้ามแม่น้ำขุงไปก็ต้องมีเหตุให้เดินทางกลับแต่กลับเส้นทางใหม่เลียบแม่น้ำขุงไปทางเหนือเดินไปตามทางแคบๆสองข้างทางนั้นเป็นป่ารกชัดทางด่านนั้นมีรอยตีนเสือทั้งเก่าทั้งใหม่มากมายตอนตะวันโผล่เพลได้ยินเสียงเสือคำรามท่านก็ภาวนาจิตให้สงบมั่นคงแต่ก็ไม่รู้เลยว่าเสือนั้นอยู่ตรงไหน มันอาจจะโผล่พุ่มไม้มาตะครุบเอาง่ายๆท่านจึงอุทานพยาภาษิตอีสานว่าเสือกินโคกินควายเพิ่นซาไกเสือกินอ่านเพิ่นซาไกมีความหมายว่าถ้าเสือกินโคกระบือร่ํำลือไปไม่ไกลเพราะเป็นสิ่งที่ธรรมดาหากเสือกินพระภิกษุผู้คนจะร่ํำลือไปไกลมากไม่รู้ว่าเสือจะเข้าใจความหมายนั้นหรือไม่ปรากฏว่าพระอาจารย์ฟ้านและสัมมเนเนผ่านพ้นมาได้โดยสวัสดีทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับป่าบางส่วน กับมนุษย์สัตว์และสิ่งเร้นลับตลอดจนพระธุดงก็หวังว่าคลิปนี้จะทําให้ท่านผู้ฟังมีความสุขนะครับส่วนเรื่องของสือสมิงรับรองว่าได้ฟังกันแน่ครับและเรื่องกล่องไพรกับตะเกิน้นผมขอประกาศให้ทราบว่าตะเกิ้นฝากบอกว่าแผนที่ที่จะเดินทางไปหาแม่นางจามเทวีได้หายไปคณะการเดินทางของคุณสักมีปัญหากันมากเนื่องจากไม่มีหนังสือเล่มนั้นหากท่านสมาชิกท่านใดพอจะมีตะเกิ้นจะขอยืมแผนที่ เพื่อจะได้พาคณะเดินทางเดินทางกันต่อได้เมื่อไปถึงจุดหมายก็จะส่งคืนทันทีหากท่านสมาชิกท่านใดมีแผนที่เล่มนี้โปรดแสดงตนด้วยทางตะเกิลจะได้ส่งที่อยู่ไปให้ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ